คือพิจารณาลมหายใจเข้าออกอันละเอียดสุขุมโดยความไม่ยึดมั่นเพื่อให้ถึงความว่างจะอุปาทานคงที่และกลื่นเป็นหนึ่งเดียวตั้งมั่นอยู่กับความว่างนั้นอีกยิ่งธรรมก็ยิ่งชานานแม้ระหว่างวันพอนึกขึ้นมาทำเหตุที่ถูกทางเข้าสู่สภาพว่างความว่างก็มาเยือนอีกและอีกกระทั่งสองสงวันต่อมา